912ก็ภิกษุณีใดคัดค้านการแจกจีกวรที่ชอบทาต้องอาบัปตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันทาจบ